พุทธวิธีไม่ให้เกิดโทสักและนอกจากวิธีควบคุมความคิดเท่าที่ตรัสไว้ในวิตต ก, กสันฐานสูตรแล้วสมเด็จพระบรมศาสดายัางทรงแสดงถึงวิธีใช้ความคิดที่จะไม่ก่อให้เกิดกิเลสคือโทสักไว้อีกหลายประการเช่นเมื่อพระองค์ทรงถูกพรามผู้หนึ่งกล่าวว่าทรงเป็นผู้หมดรถ ก็รับสั่งรับรองว่าเป็นเช่นนั้นจริงเพราะพระองค์ไม่ทรงมีกิเลสที่จะก่อให้เกิดรสคือความยินดีมิได้ทรงขัดแย้งคัดค้านคำกล่าวว่าของพรามแต่กลับทรงแปลความหมายคำว่าร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าหากเมื่อถูกผู้ใดว่าร้ายแล้วสามารถคิดแปลให้กลายเป็นดีเป็นคายกย่องสรรเสริญเสได้เช่นที่พระพุทธองค์ทรงรม โทสะก็จะไม่เกิดเป็นธรรมดานี้นับว่าเป็นการระงับโทสะด้วยการใช้ความคิดไม่ให้มุ่งไปในทางร้ายแต่กลับให้มุ่งไปซนในทางดีเป็นวิธีหนึ่งที่ควรอบรมฝึกฝนไว้เสมอเช่นกันจะได้เป็นผู้พ้นจากอำนาจโทสะอันมีโทษร้ายแรงนัก มีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ได้จากพระพุทธองค์เกี่ยวกับการไม่ปล่อยใจให้เกิดโทสะเพราะการกระทําคำพูดของบุคคลอื่นคือพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระบรมมศด า, า, าแล้วด่าว่าพระองค์ทรงถามว่าถ้ามีแขกไปหาถึงบ้านพราหมณ์จะทำอย่างไรพราหมณ์กราบทูลตอบว่าก็ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารรับสั่งถามว่าถ้าแขกไม่รับของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์กราบทูลว่า ของนั้นก็ต้องเป็นของเจ้าของพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นไม่ทรงรับคำด่าว่าของพรามไม่ทรงบริโภคร่วมด้วยกับพรามคำด่าว่าทั้งหมดของพรามที่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้ก็ต้องตกเป็นของพรามนี้หมายความว่าควรหัดคิดว่าถ้ามีผู้ตำหนิติชิ้นหรือนินทาว่าร้ายก้าวร้าวล่วงเกิน ก็เหมือนเมื่อไปสู่บ้านใดแล้วเจ้าของนําอาหารคาวหวานมาต้อนรับเราไม่บริโภคของเขาอาหารเหล่านั้นก็จะต้องเป็นของเขาเองนั่นก็คือถ้าเขาด่าว่าแล้วเราไม่รับไม่โกรธคำด่าว่าทั้งหมดก็จะตกเป็นของเจ้าของเช่นนี้แล้วจะไปรับไปโกรธเมื่อถูกผู้หนึ่งผู้ใดด่าว่าทาไมหากมีสติ ค, คิดเช่นนี้ให้ได้ทันเวลาที่ถูกด่าว่า โทสะก็จะไม่เกิดและโทสะนั้นถ้าไม่เกิดเส้นนานๆก็จะเหมือนร่างกายขาดอาหารจะค่อยอ่อนแรงจนถึงตายไปได้เลยไม่อาจเป็นโทษทรมานให้จิตใจเร่าร้อนได้อีกต่อไปการบริหารจิตตามหลัก พ, พระพุทธศาสนาเพื่อละความโกรธคือโทสะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงจะพึงสนใจปฏิบัติ ด้วยความภาคเพียรให้สม่ำเสมอการขอโทษและการให้อภัยการรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเองและเป็นการช่วยระ ง, งับ หรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่งหรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิดเพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิดอีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตนแม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้น ถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทนอภัยทานก็คือการยกโทษให้คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษอันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าแก่ผู้รับเช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกันคืออภัยทาน หรือการให้อภัยนี้เมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะยังจิตใจของผู้นั้นให้ผ่องใสพ้นจากความกลุ้มรุมบดบังของโทสะอันใจที่แจ่มใสกับใจที่มืดมัวไม่อธิบายก็น่าจะทราบกันอยู่ทุกคนว่าใจแบบไหนที่ยังความสุขให้เกิดแก่เจ้าของใจแบบไหนที่ยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นและใจแบบไหน ที่เป็นที่ต้องการใจแบบไหนที่ไม่เป็นที่ต้องการเลยความจริงนั้นทุกคนที่สนใจในการบริหารจิตจะต้องสนใจอบรมจิตให้รู้จักอภัยในความผิดทั้งปวงไม่ว่าผู้ใดจะทำแก่ตนแม้การให้อภัยจะเป็นการทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับบางคนที่ไม่เคยอบรมมาก่อน แต่ก็สามารถจะทำได้ด้วยการอบรมไปทีละเล็กละน้อยเริ่มแต่ที่ไม่ต้องฝืนใจมากนักไปก่อนในระยะแรกตัวอย่างเช่นเวลาขึ้นรถประจำทางที่มีผู้โดยสารคอยขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมากหากจะมีผู้เบียดแย่งขึ้นหน้าทั้งๆ ท, ที่ยืนอยู่ข้างหลังถ้าเกิดโกรธขึ้นมาไม่ว่าน้อยหรือมากก็ให้ถือเป็นโอกาสอบรมจิตใจให้รู้จักอภัยให้เขาเสีย เพราะเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรถือโกรธกันนักหนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินควรจะอภัยให้กันได้แต่บางทีถ้าไม่ตั้งใจคิดเอาไว้ก็จะไม่ทันให้อภัยจะเป็นเพียงโกรธแล้วจะหายโกรธไปเองโกรธแล้วหายโกรธเองกับโกรธแล้วหายโกรธเพราะให้อภัยไม่เหมือนกัน โกรธแล้วหายโกรธเองเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเมื่อเกิดแล้วต้องดับไม่เป็นการบริหารจิตอย่างใดแต่โกรธแล้วหายโกรธเพราะคิดให้อภัยเป็นการบริหารจิตโดยตรงจะเป็นการยกระดับของจิตให้สูงขึ้นดีขึ้นมีค่าขึ้นผู้แ赖เห็นความสำคัญของจิตจึงควรมีสติทาความเพียรอบรมจิตให้คุ้นเคยต่อการให้อภัยไว้เสมอ เมื่อเกิดโทสะขึ้นในผู้ใดเพราะการปฏิบัติล่งล้ำก้ามเกินเพียงใดก็ตามพยายามมีสติพิจารณาหาทางให้อภัยทานเกิดขึ้นในใจให้ได้ก่อนที่ความโกรธ จ, จะดับไปเสเองก่อนทำได้เช่นนี้จะเป็นคุณแก่ตนเองมากมายนักไม่เพียงแต่จะทำให้มีโทสะลดน้อยลงเท่านั้นและเมื่อปล่อยให้ความโกรธดับไปเอง ก็มักหาดับไปหมดสิ้นไม่เท่าฐานคือความผูกโกรธมักจะยังเหลืออยู่และอาจกระพือความโกรธขึ้นอีกในจิตใจได้ในโอกาสต่อไปผู้อบรมจิตให้คุ้นเคยอยู่เสมอกับการให้อภัยแม้จะไม่ได้รับการขอขอมาก็ย่อมอภัยให้ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ไม่เคยอบรมจิตใจให้คุ้นเคยกับการให้อภัยเลย แล้วก็ให้หายโกรธเองแม้ได้รับการขอขมาโทษก็อาจจะไม่อภัยให้ได้เป็นเรื่องของการไม่ฝึกใจให้เคยชินอันใจนั้นฝึกได้ไม่ใช่ฝึกไม่ได้ฝึกอย่างใดก็จะเป็นอย่างนั้นฝึกให้ดีก็จะดีฝึกให้ร้ายก็จะร้าย สัตว์ป่าที่ดุร้ายยังเอามาฝึกให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฝึกได้เช่นช้างก็ยังเอามาฝึกให้ลากสูงได้เสือหมีสิงโตก็ยังเอามาฝึกให้เล่นละครสัตว์ได้ไม่ต้องพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขที่ฝึกให้เลี้ยงเด็กได้ช่วยจับผู้ร้ายก็ได้นำทางคนตาพิการก็ได้แล้วทำไมใจของมนุษย์แท้ๆที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย ฝึกให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้การฝึกสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวแล้วผู้ฝึกต้องใช้ความมานะภาคเพียรเป็นอันมากกว่าจะได้รับผลสำเร็จการฝึกใจก็ต้องใช้ความมานะภาคเพียรอย่างยิ่งเช่นเดียวกันจึงจะปรากฏผลประจักษ์แก่ใจตนเองเป็นลำดับเป็นขั้นไป จบเสียงอ่านหนังสือพุทธวิธีควบคุมความคิดจากหนังสือชุดพุทธวิธีในการบริหารจิตพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารสสนนนนาาาใใ้ยยังงืืบบต่่อไปแุชึจ เสียงสร u เสห้อยุวัฒนมงคล